อันจิตใจของคนเรานี่มันจะละกิเลสตัณหาต่างๆได้นั้นมันอาศัยอุบายขอให้เข้าใจถ้าเราจะไปกำหนดละเอาดือด้อๆอย่างนี้ตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะไม่ยอมละเลย ไม่เช่นนั้นแล้วคําสอนของพุตรเจ้าเขาไม่มีมากมายแบบนี้อ่าถ้าหากว่าไปละเอาดือด้อๆอย่างนั้นนล้มันได้เลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ลําบากเลยมันจะมาทรมานตนให้ลําบากทําไมอ่ะนะแต่ที่มันเรามันต้องมาได้ทรมานตนต้องฝึกตนไปอยู่อย่างนี้นะก็เพราะเหตุว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมายา สาถ่ายมากยากที่จิตจะตามทันมันหลอกล่อจิตนี้ให้หลงให้เข้าใจผิดไปอยู่บ่อยๆเรื่องม่นนะดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสอนให้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วจึงได้นึกถึงอุบายต่างๆได้แบบนี้นะ ข้ออุปมาอุปมาเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมนั่นแหละเราก็คงจะพากันได้สันนิฐานได้พระองค์แสดงไปตามเหตุเช่นอย่างว่าทรงแสดงแก่ภิกษุบรญจวคีทั้งห้าเป็นปฐมอเทศนาธรรมจักนั่น ที่ทรงแสดงเชนั้นก็เพราะว่าทิกสุกปัญญวคีทั้งห้านั้นท่านเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่แล้วดังนั้นในพระธรรมจักนั้นจึงไม่ได้แสดงทางสมาธิหรือสมาธะเลยเริ่มต้นทางปัญญาไปเลยอย่างนี้นะทรงสอนให้ละเวน้นอทางที่ควรเวน้นทรงสอนให้บำเพ็ญทางมัชฌิมาสายกลาง ไม่ยิ่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปอันนี้เรียกว่าทางของบรรปะชิตไม่ควรท่องเสีดก็พูดถึงความรักกับความชังนั่นนะเพืว่าเอาง่ายๆอต้องให้ละเสียซึ่งความรักกับความชังทําใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่ใจความเหีง้งพระธรรมจักนั้นในส่วนอุบายต่างๆวันนั้น พระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไปหลายอย่างแล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงทำแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของรอ้อนเช่นนั้นนะพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกับ กรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่ อ, อย่างนี้แหละเส้น อ, อดิตตะปริยายสูตรสูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างเป็นของร้อนอย่างนี้แหละร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะราคคินาโทสกคินาโมหคินาหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมห ะ, ะ, ะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลำพันธ์ต่างๆหมูนี้รุวนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลย อมันก็ทําใจของคนเราให้เล่าร้อนเย่ยเมื่อได้เกิดความแปรปวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมาอก็ทําใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั้นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจของคนเรา ไฟภายนอกนั่นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไปออันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ใจของคนเราเนี่สิไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั่นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลย ไอ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผาโหรนจิตใจของคนเราอยู่นี่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะจะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อขอให้เข้าใจเนื้อนในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้ออประศาทสราทรงแสดง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 เพราะตาได้เห็นรูปเป็นต้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความจังขึ้นมาจะทำให้ดิ้นรนสแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างผพานกันไปอะไรืบอนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉ พ, า ะ, ะเพาะในโลกนี้วะ น, นี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกัน ทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิเอ้าเกิดไปชาติใดก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรกอดนุ่งเนี่ยวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างพลานกันไปก่อทุกข์ให้เก ก, กันเละกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกิเรลตัญหานี่ น่ะว่าร่นไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดมวัวเมาประมาทไม่ทําความเพียรไม่ทวนกระแสจิตปล่อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะอมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดเห็นโทษของ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 ตัดออกไปให้มันน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นสิว่าแต่ใจเรานี้ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเหตุที่มันจะไม่เบาวางออกไปจากจิตนี้นะอันกิเลสต่างๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันจะไม่ชอบมันแล้ว มันก็ระมัดระวังและไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแ้วที่มันมีอยู่แล้วนะก็พยายามตัดทอนมันออกไปยพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนะนะระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้ มันจะดับได้เพราะความประโยคน์พยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรหรอกแต่อุบายที่จะให้จิตมั่นในหลักปฏิบัติเหล่านี้นมันมีมากมายเพราะว่าจิตนี้มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมัน่ะ เ อ, อดังนั้นจึงไอคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรถก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจเขาคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเช่น<ม>ผู้ยังไม่คิดเลยว่าจะรักษาสินอย่างนี้เอา<ม>ก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าสินนั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาสินแล้วอย่างนี้ก็ จะไปทำบาปบาปมันก็จะฉุดคล่าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระองค์เจ้าจึงมาปุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสารแล้วมาสมทานมั่นในสินเมื่อสมทานมั่นในสินแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้น เมื่อบุคคลไม่ได้ทําบาปแล้วมันก็ทําแต่บุญไปนี่นะมันก็ทําสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พอมันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบาปเท่านั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าพิเลตอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่นะ่ะมันยังมีอยู่ มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั่นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลตนันจะหมดไปพร้อมกันเล ย, ยนี่ไม่ใช่ฮะมันยังไม่หมดอะ่ะนั่นเนี่ยอ้าวกิเลส เ, เมื่อละบาปได้แล้วมาสำรวมในสินอย่างเงี้ยแต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่านั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสังขาร อันนี้สงสีน์มันก็พาให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ครั้นเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึงเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบ้างในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนพนะอหมดบุญตายลงไปนี่ ดิ่งลงไปสู่นรกทีเดียวเลยก็มีอ่าเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทําไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกําลังแรงกล้าสมควรนะอย่างน่นมันก็ติดต่อยห่อยตามใบคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทําลงเมื่อใดบาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะอะบาปนั้นมันหนัก มันจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ฉานนั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลยจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละพยายามละเว้นจากบาปกรรมโคลมชั่วต่างๆไดแล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้ว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 เป็นผู้มีตระกูลอันสูงอลดหลั่นกันลงมาตจำวาสนาบรารมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอแต่หมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่าง บุคคลผู้ทำบาปกรรมมันชั่วนั่นเมื่อไปตกนรกเอาค้นจากนรกนั่นมาแล้วเศษบาปยังไม่หมดก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเดชานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นจนก ว, ว่าว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆเนยมันจึงจะค้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันเนะ ไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุดติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อแบบนี้นะนั่นนีงเมื่อหมรายุสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นะอีกอยู่สวรรค์หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอ หมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกงั้นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆ น, น, นะอะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบา ร, รมีมันก็เต็มได้ น, นั่นเอเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มแล้วก็จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะนั่นแหละก็จึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนี้นะี่นี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะ่ะมันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำอ่าขอให้เข้าใจ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 แต่ว่าทําไปพอๆนั้นน่ยเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสําหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอราหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่างนะเนี่ยกิเลสก็ยังมีหนานแน่นอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อทําอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นที่นี่นั่นเนี่ย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 แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไทยต่างๆาทั้งกิริยากายก็มายาคำพูดคำจาทางวาจาก็มายาสาไทยเกี่ยวกับความรักความใคร่โมนี้นะนั่นมันมันถึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไปอยู่ยังละกิเลสไม่หมดทำอะไรพูดอะไรออกมามันกอะไรจึงว่าเป็นอาการของกิเลสไป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 ไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธอย่างนี้พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศลไปแบบนี้นะอันนี่แหละกิริยาการของคนที่มีกิเลสนะถ้าระ ง, งับกิเลสในใจตัวเองไม่ได้แล้วทําอะไรพูดอะไรออกมามันก็เป็นกรรม ดีเป็นกรรมชั่วไปนั่นแหละไอ้ความรักกับความชังนี่มันเนื่องกันจริงๆนะมันไม่ใช่จะมีแต่ความรักเท่านั้นมานี่เมื่อความรักเกิดขึ้นแล้วใครมาขัดขวางทางความรักก็โกรธอย่างนี้นะเมื่อโกรธแล้วก็ทำกิริยาการกายวาจาไปตามความโกรธในใจนั้น เบียดเบียนกันสังหารกันไปท่านี้ที่มันทําได้อย่างนั้นก็เพราะมันหลงมันทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ได้ว่าเอ๊ะเราคิดอย่างนี้นะเราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ยมันถูกหรือผิดมันมันไม่ถูกนะมันเป็นอกุศลนะไม่ควรนะอย่างเนี้ยมันทวนกระแสจิตเข้ามานึกอย่างนี้ไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะได้ทําบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะ มันก็เลยเป็นอกุศลกรรมไปพอาการกระทำคทาที่พูดเช่นนั้น น, ะนี่แห่ะคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะมันทำอะไรพูดอะไรไปมั น, มนแทรกไปด้วยกิเลสตัณหาเนะ่เหตุนั้นมันจึงได้เป็นกรรมดีกรรมชั่วไปให้เพึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจเมื่อเป็นกรรมดีกรรมชั่วไปอย่างนั้นแล้ว ก็ก็ไม่ใช่ว่ามันจิตตามให้ผลไปหมดทุกอย่างถ้าผู้ใดรู้สึกสำนึกตัวว่าตนนั้นได้สร้างกิเลสบาปธรรมอย่างนั้นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วมาเพียรพยายามละแบบ น, นี้นะเอา้ากำหนดใจละมันพิจารณาให้มันเห็นแจ้งว่ามันบาปเหล่านี้มันมีอยู่ในใจจริงบับ น, นี้เราเบื่อมันลเห็นโทษแล้วเราละ สอนใจให้ละมันเลื่อยไปไม่สร้างมันขึ้นมาอีกวันนี้มันก็หมดไปหมดไปอีกเลยวันนี้นะนั่นแหละไอ้บาปเหล่านี้ไม่ใช่ว่าละไม่ได้คนจริงนั่นละได้อยู่นี่แต่คนบางคนเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตนมีบาปอยู่ในใจเพราะไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเฮงพินิ์ดูนะนี่แหละมันบกพร่องตรงนี้แหละ เมื่อมันไม่ทวงกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาตัวเองมันก็ไม่รู้เรื่องเจ้าของไม่รู้ว่าจิตตัวเองเป็นบาปอากุศลอยู่อย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ละบาปไม่ได้มันก็ยึดเอาบาปนั้นไว้เรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่บุคคลทําบาปแล้วบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นั่นนะก็เพราะมันไม่รู้ตัวบาปอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดทําบาปลงไปแล้วรู้ว่าเป็นบาปจริงอย่างนี้ละ ไม่ไม่ไม่เลี้ยงมันไว้ไม่เลี้ยงบาปอั น, นั้นไว้ในใจละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดับไปอันบาปที่เป็นไฟละหกกรรมนะเป็นกรรมเบาอะบุคคลสามารถละได้ถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถที่จะล ะ, ละได้แล้วใช้พระศาสดาก็ไม่ทรงสอนให้ละบาปที่พระองค์ทรงสอนให้ละบาปนั่นก็เพราะพระองค์รู้แจ้งแล้วว่า ไอ้บาปแบบละหูกรรมนี่น่ะบุคคลสามารถละได้แล้วก็ไม่ไม่ขัดขวางทางมรรคผลนิพพานเมื่อบุคคลละบาปอันเป็นละหูกรรมนั้นได้แล้วมาตั้งใจบําเพ็ญ บ, บุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังมีทางที่จะบรรลุวัคผลธรรมวิเศษได้ถ้าผู้นั้นบําเพ็ญ บ, บุญกุศลให้เพียบพร้อมนะให้ถึงพร้อมนะ ในชาตินี้แล้วนะก็ยังบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้เป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่คารุกรรมกรรมหนักกรรมหนักนั้นถ้าบุคคลกระทำลงไปแล้วแม้ว่าจะมารู้ตัวยังไงกลับทำดียังไงบาปนั้นก็จะไม่ระ ง, งับไปเลยมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์หลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็มีอเวจนะีนั่นเป็นที่ไป ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมมีมาตุขาไปิตุคาตเป็นต้นอย่างที่ทุกคนก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วนะนะเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ไอ้กรรมชั่วทั้งสองประเภทนี่นะเมื่อบุคคลศึกษาให้รู้อย่างนี้แล้วเมื่อรู้ว่าตนนั้นได้พลาดฟังทำแต่ละหกกรรมกรรมเบาคารุกรรมกรรมหนักนั้นตนไม่ได้ทำ เมื่อรู้ตัวยอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละละหุกรรมอันนั้นด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่พระาศาสดาทรงแสดงไว้นี้ไม่ท่อไม่ถอยแล้วบาปอกุศลเหล่านั้นมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเส่นความโลภอันเป็นเหตุให้บุคคลไปทำบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นหรือไปบเบียดเบียนช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติพู้นเนข้อตนเป็นต้นเหล่านี้นะ เมื่อบุคคลนั้นมามีจิตใจฝอกใฝ่ในทานเข้าวางว่าเข้าไปแล้วไอความโลภอย่างว่านั้นมันก็เบาวางไปเลยแบบนี้นะเออมันเป็นอย่างนั้นอันความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลมาเห็นทอดหนึ่งความโกรธแล้วก็มาฝักใฝ่ในสินนี่เข้าไปสมทานมั่นในศินนี่เข้าไปไม่ยอมละศินสินนี่มันก็เป็นขั้นขั้นไปแบบนี้นะนั่นแหละ สินกายสินวาจาสินใจแบบนี้นั่นแหละเอา้าเมื่อรักษากายได้รักษาวาจาได้แล้วก็ไปรักษาใจเข้าไปแบบนี้นะอย่าให้ใจมันคิดเป็นบาปอย่าให้ใจมันรู้อำนาจแก่ความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็รู้ตัวและสะกดจิตไว้ละมันไปอย่าไปส่งเสริมมันอ อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีสินทางใจคือว่าพยายามทำใจให้เป็นปกติคําว่าสีลังไปว่าปกตินั่นแหละเมื่อทำใจเป็นป ก, ปกติได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสินนี่มันเป็นอย่างนั้ น, นรเรียกว่าสินใจถ้าใจไม่ปกติอย่างนี้มันยังมีโกรธมีภูโกรธไรอยู่อย่างงี้ใจมันปกติไม่ได้เลยดัะนั้นใจก็ชื่อว่าไม่มีสินแบบนี้ เมื่อใจไม่มีศีลแล้วกายวาจามจะมีได้ยังไงบะนี้มีไม่ได้เพราะว่าใจเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจาอ่าอย่างงี้แหละแล้วก็มันก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยมีเมตตาการุณาดานที่เคยแสดงมาบ่อยๆไอ้ธรรมกับศีล น, นี่นะเป็นคู่กันนะก็ต้องแสดงเป็นคู่กันไปแหละไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ครบชุดอ่า ผู้ปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์มเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องเจริญเมตตาให้มองม้าเข้าไปเมื่อเมตตาทำกรุณาทำแก่กล้าขึ้นในใจแล้วศีลของผู้นั้นก็บริสุทธิ์ผู้นั้นก็จะสำรวมกายวาจาการทําอะไรพูดอะไรก็จะไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ผู้ผูผู้เพียบพร้อมไปได้เมตตากรุณามันต้องเป็นอย่างนั้น ผู้ขาดเมตตากรุณาแล้วมันก็ต้องรู้อํานาจเกิดความโกรธแบบ น, นี้นะเมื่อยังบรรเทาความโกรธในใจไม่ได้อ่ะใครทําอะไรให้ไม่พ อ, อ, อพอใจมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยทางกายกิริยากายก็หยาบโลนพูดอะไรออกทางวาจาก็วาจาก็หยาบไม่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ได้ยินได้ฟังเอ่า มันเป็นฉะนันอย่างว่าศีลธรรมนี้พลาด ก, กันไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันนี่ลองสังเกตดูที่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ล้วนแต่เป็นเครื่องบำบัดกิเลสอันหมกหมมอยู่ในใจของคนเรานี่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าผู้เขาไม่บำเพ็ญจริงๆมันก็บำบัดไม่ได้นะวันแบบนี้นะนั่นแหละมันต้องเอาจริงนะ พราว่ากิเลสมันเป็นเจ้าวิ็นให ญ, ญ่ในหัวใจมานานแล้วนี้อย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันสะสมกันมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วมันมีรากอย่างลึกอยู่ในใจอมากมายนี่นะดังนั้นถ้าเราไม่สร้างคุณธรรมดังกล่าวมานี้ให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆแล้วมันจะไม่อ่อนลงเลยกิเลสเหล่านี้นะอืมเมื่อรู้ว่า กิเลสในหัวใจของตนอย่างนี้มันมีมากอย่างนี้นะล้วก็สร้างคุณธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเหล่านี้ให้มากขึ้นเนะ่ยให้มากขึ้นกวัวกิเลสนั่นออกซ้ำนี่เมื่อคุณธรรมอันดีงามนั้นมันมีกำลังมากกลัวกิเลสดังกล่าวนั้นแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงเพราะมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเหมือนกับโรคในกายของคนเรากับยานี่เลย ถ้าว่าหมอวางยาเข้าไปยานั่นมันมีประสิทธิภาพเหนือโรคอันนั้นแล้วโรคในกายของคุณนั้นมันจะตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องบรรเทาบาบางลงไปในสุดมันก็หายไปเป็นอย่างนี้แหละไอ้ทรงสแสดงคุณธรรมอันเป็นเครื่องระงับความหลงก็ได้แก่การเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะ ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วฉะนั้นเพียงแต่ว่าขอแนะนำให้ลงมือกระทำกันยิงจังสมถะการทำใจสงบก็ทำให้สงบจริงๆไม่สงบไม่ถอยตายเป็นตายอย่างนี้นะเอาตายเข้าสู้เอามันในสุดมันก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนกลัวทุกข์กลัวตายอยู่จิตสงบลงไม่ได้เลยทั้งที่รู้อยู่กรรมฐานนะ ถ้าใจอ่อนแอแล้วจิตสงบลงไม่ได้นี่จะขอเตือนเพียงแค่นี้แหละแล้วเมื่อใจสงบลงไปได้ที่บังคับจิตใจตัวเองได้แล้วการเจริญปัญญาแนละ้วไม่มีปัญหาอันนั้นนะมันเป็นไปได้จริงๆดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้